ปิเทศนิยักันคำถามคําตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาติเทศนิยักัน 1. ปฐมปาฎิเทศนิยักศึกขาบทถามพระผู้มีประภาคารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาติเทศนิยะแก่ภิกษุผู้รับของขคีว้วหรือของฉันด้วยมือตนจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาต ผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วฉันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งรับอาหมิจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้านในปาติเทศนิยสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ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 ทรงบัญยัติณกรุงราชครื่ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิสูชพภะพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสูชพภะคีไม่ห้ามภิกษุณีผู้มายืนบงการในปาฏิเทศนิยสกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานสองสมุธฐานคือหนึ่งเกิดทางกายกับวาจา มิเช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางกายวาจากับจิต 3. ตติยะปาติเทศนิยะสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาติเทศนิยะแก่ภิกษุผู้รับของเคี้วหรือของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นไสคะด้วยมือตอนเองแล้วฉันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปราลภิสุลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิสุลายรูปรับพัตาหารโดยไม่รู้จักประมาณในปาติเทศนิยสิกขาบทที่สามนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสองพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานคือหนึ่งเกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา 4. จะจตุ t ะปาติเทสนิยศึกขาบทถามทรงบัญญัติปาติเทสนิยะแก่ภิกษุผู้รับของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่ได้รับแจ้งไว้ก่อนด้วยมือตนเองในอารามในเสนาสนะปา่าแล้วฉันณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักแคว้นสักกะถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปรารลภิกษุลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไม่บอกว่าโจรอาศัยอยู่ในอารามในปาติเทศนิยสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุฐานแห่งอาบัตหกสมุฐานเกิดด้วยสมุฐานสองสมุฐานคือหนึ่งเกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 2เกิดทางกายวาจากับจิตปาติเทสนิยะสี่สิกขาบทจบรวมสิกขาบทที่มีในปาติเทสนิยะกัน 1. ปรถมปาติเทสนิยะสิกขาบทว่าด้วยการรับของเคี้วของฉันจากมือภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติสทุติยปาติเทสนิยะสิกขาบทว่าด้วยการไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการ 3. ตติยะปาติเทศนิยะสิกขาบทว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันในที่ที่ไม่ได้รับนิมนต์ไว้ก่อน 4. ี่เจตุ tha ปาติเทศนิยะสิกขาบทว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันจากทายกที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้ว เสกยกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในเสขียกันหนึ่งปริมันธละวักสิกิขาบทที่หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างณที่ไหนตอบทรงบัญญัตณครงสาวัตถี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกพิษุชาพรคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิสุชาพระคีครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานคือ เ, เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา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 ในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบาดหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาสิกขาบทที่สาถามทรงบัญญัติทุกกฎเกี่ยกับพิสุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อเดินเปิดกายไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิกษุชาภคีเดินเปิดกายไปในละแวกบ้าน ในสิกขาบทที่สมนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานเคยเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาสิกขาบทที่4ถามทรงบัญญัติทุกกฎใครพิษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งเปิดกายในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสุชาภพาขีนั่งเปิดกายในละแวกบ้าน ในศึกษาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัติหสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาศึกษาบทที่5ถามทรงบัญญัติทุกปดแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อเดินขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่ผู้ภิกษุชาวคีเดินขนองมือบ้างขนองเท้าบ้าง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 เดินมองดูในที่นั้นๆไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสษุชาพักคีเดินมองดูที่นั้นๆไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานเ ก, เกิดทางกายกับจิตไม่เชื่อเกิดทางวาจาสิกขาบทที่8ถามทรงบัญญัติทุกกฎเกณฑ์พิสูจน์ผู้ไม่เอื้อเฟือ้อ น่ามองดูที่นั้นๆในละแวกบ้านในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเคอเกิดทางกายกับจิตไม่จะเกิดทางวาจาสิกขาบทที่9ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่พิษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อเดินเวกผ้าไปในโะกวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสุชาภคี เดินเวกผ้าไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตห6สมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานเคยเกิดทางกายกับจิตไม่จะเกิดทางวาจาสิกขาบทที่10ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อนั่งเวกผ้าในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาวพาัคีนั่งเวกผ้าในละแวกบ้าน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 ขุช่าคีขระวักสิกขาบทที่หนึ่งถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินหัวเราะดังไปในละแวกบ้านณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุชาวคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาวักคีเดินหัวเราะดังไปในละแวกบ้าน ในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเกิดทางกายวาจากับจิตสิกขาบทที่สองถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อนั่งหัวเราะดังในระแวกบ้านณที่ไหนตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาภคีนั่งหัวเราะดังในระแวกบ้านในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ เกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานเคยเกิดทางกายวาจากับจิตสิกขาบทที่สถามทรงบัญญัติทุกกฎกายภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินตะโกนเสียงดังไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่ผู้ภิกษุชาวคีเดินตะโกนเสียงดังไปในละแวกบ้า น, าาา น, นในสิกขากบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานเคยเกิดทางกายวาจากับจิต สึกษาบทที่สถามทรงบัญญัติทุกกฎกายพิสุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อนั่งตะโกนเสียงดังในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิกษุชาภพคีนั่งตะโกนเสียงดังในละแวกบ้า น, าาา น, น, ใ, น, านในศึกษาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุฐานหนึ่งสมุฐานเคยเกิดทางกายวาจากับจิตศึกษาบทที่หถาม ทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อเดินโครงกายไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่ผู้ภิกษุชาวคีเดินโครงกายไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาสิกขาบทที่6ถามทรงบัญญัติทุก ก, กฎแก่ภิกษุผู้ไมออ่อื้อเฟื้อนั่งโครงกายในละแวกบ้าน เพราะเรื่องที่ผู้พิสษุนชาพาคีนั่งโครงกายในละแวกบ้านในสิกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุธานหนึ่งสมุธานเคยเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาสิกขาบทที่7ถามทรงบัญญัติทุกกฎเก่ยวกับพิสูจผู้ไม่อื้อเฟือ้อเดินแกว่งแขนไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสษุชาพาคีเดินแกว่งแขนไปในละแวกบ้าน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 เคยเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาสิกขาบทที่9ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินโครงศีรษะไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่ผู้ภิกษุชาภพคีเดินโครงศีรษะไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุฐานหนึ่งสมุฐานเคยเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา สิกขาบทที่สิถามทรงบัญญัตทุกกฎแก่ภิษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อนั่งครองศรีรษะในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิษุชาพัคีนั่งครองศรีรษะทำคอพับในละแวกบ้านในสิกขาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัตเกิดด้วยสมุธานหนึ่งสมุธานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาอุจชิกะวัคที่สองจบ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 ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งเท้าสะเอลในละแวกบ้านในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคยเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาสิกขาบทที่สาถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินคลุมศีรษะไปในระแวกบ้านตอบ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 นั่งรักเขาเ่าในละแวกบ้านณที่ไหนในสิกขาบทที่หกนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุฐานหนึ่งสมุฐานเคยเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาสิกขาบทที่เจ็ดถามทรงบัญญัติทุกบทแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือรับบิณฑบาตโดยไม่เคารพในสิกขาบทที่เจ็ดนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุฐานหนึ่งสมุฐานเคเกิดทางกายกับจิต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 ในสิก ข, ขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาสิก ข, ขาบทที่10ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อรับบิณฑบาตลน้นขอบปากบาตรในสิก ข, ขาบทที่10นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐา น, ฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา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 ผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันบินทบาดโดยไม่เคารพในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุฐานหนึ่งสมุฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาสิกขาบทที่สองถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันบินทบาดมองดูไปที่นั้นๆในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ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 ออกปากขอแกงหรือเข้าสุกมาฉันส่วนตัวณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกพิสุชาพาคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุชาพาคีออกปากขอแกงบ้างเข้าสุกบ้างมาฉันส่วนตัวในสิกขาบทที่เจนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานคือ 1. เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา 2. เกิดทางกายวาจากับจิตสิกขาบทที่8ถามทรงบัญญัติทุกบทแกับภิกษุผู้มีเอื้อเฟื้ามุ่งตาหนิมองดูบาของภิกษุเหล่าอื่นในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐาน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 ทำคำข้าวให้ยาวในสิกขาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุธานหนึ่งสมุธานเคอเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจ า, าปินทปาตะวักที่สี่จบ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 เกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐาน เ, นเกิดเกิดทางกายวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาสิกขาบทที่สถามทรงบัญญัตทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่อื้อเฟือฉันโยนคําข้าวในสิกขาบทที่สี่นั้นมีหนึ่งพระบัญญัตเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐา น, นเกิดเกิดทางกายากายับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาสิกขาบทที่หถาม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 ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่อื้อเฟือ้อฉันทำเสียงดังจับจับในสิกขาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคยเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจากัพละวัคที่ห้าจบ สุรุสุรุรวักสิกขาบทที่หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตทุกกฎและภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อฉันทำเสียงดังซูสซูน่ณะที่ไหนตอบทรงบัญญัตณกรุงโกสัมพีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไร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 ฉันเลียริมฝีปากในสิกขาบทที่สี่นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุธานหนึ่งสมุธานเขอเกิดทางกายกับจิตไม่จะเกิดทางวาจาสิกขาบทที่หาถามทรงบัญญัติทุกกฎกับภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อจะพาชนะน้ําด่มด้วยมือเปื้อนอาหารณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนะพคคชนบทถามทรงปรารกใครตอบ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 เทน้ำล้างบาศมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณพระคชนบทถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิสุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิสุหลายรูปเทน้ำล้างบาศมีเมล็ดข้าวลงในละแวกบ้านในสิกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัดหสมุทฐาน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 เพราะเรื่องที่พวกพิกษุน์ชาวคีแสดงธรรมแก่บุคคลผู้กั้นร่มในสิกขาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือ เ, เกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกายสิกขาบทที่8ถามทรงบัญญัติทุกกฎแ ก, ก่ภิกษุผู้มีเอื้อเฟือ้อแสดงธรรมแก่คนถือไม้พลอง ในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกายสิกขาบทที่9ถามทรงบัญญัติทุกกฎกาภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนถือศาสตราในสิกขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐาน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 ทรงบัญยัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อแสดงธรรมแก่คนผู้สวมเขียงเท้าณที่ไหนในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัตหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานก็เกิดทางวาจากับจิตไม่เชื่อเกิดทางกายสิกขาบทที่สองถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อแสดงธรรมแก่คนสวมรองเท้า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 นั่งอยู่บนพื้นดินแสดงธรรมแก่คนผู้นั่งบนอาสนะณนะที่ไหนในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเกิดเกิดทางกายวาจากับจิตสิกขาบทที่9ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อนั่งอยู่บนอาสนะต่ำ แสดงธรรมแก่คนผู้นั่งบนอาสนะสูงณที่ไหนในสิกขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเือเกิดทางกายวาจากับจิตสิกขาบทที่10ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อยยืนแสดงธรรมแก่คนผู้นั่งอยู่ณที่ไหน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 บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติ6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือ เ, เกิดทางกายวาจากับจิตสิกขาบทที่12ถามทรงบัญญัตทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือเดินอยู่นอกทางแสดงธรรมแก่คนผู้เดินไปในทางณที่ไหนในสิกขาบทที่12นั้นมีหนึ่งพระบัญญัตหนึ่งพระอนุบัญญัตบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐาน เกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานเกิเกิดทางกายวาจากับจิตสิกขาบทที่13ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อยืนถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะณนะที่ไหนในสิกขาบทที่13นั้นมีหนึ่งพระบัญญัตหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานเกิเกิดทางกายกับจิตมิเช่เกิดทางวาจา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 ถามทรงบัญญัติทุกกฎใครพิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อทายอุจจระทายปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิสูชาพาัคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวพ้พิสูชาพาัคีทายอุจระบ้างทายปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลงในน้ำ มีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายกับทางจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาป่าทุกกวักที่เจ็ดจบเสขียวัฏเจสิห้าสิกขาบทจบรวมสิกขาบทที่มีในเสขียกันสิกขาบทที่หนึ่งถึงสอง ว่าด้วยการครองอันตรวาสศกและอุตราสงเรียบร้อยสิกขาบทที่3าถึงสว่าด้วยการปกปิดกายดีไปและนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทที่5้ถึงหว่าด้วยการสํารวมดีไปและนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทที่7จถึงแว่าด้วยการมีจักษุทอดลงไปและนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทที่ 9- ถึงสิบ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 ว่าด้วยการไม่เดินแกว่งแขนไปและนั่งในระแวกบ้านสิกขาบทที่1 9บถึง20ว่าด้วยการไม่เดินโครงศีรษะไปและนั่งในละแวกบ้านสิกขาบทที่2 1่สถึงว่าด้วยการไม่เดินเท้าเสเอวไปและนั่งในระแวกบ้านสิกขาบทที่2 3 2สถึงว่าด้วยการไม่เดินคลุมศีรษะไปและนั่งในระแวกบ้านสิกขาบทที่25 ว่าด้วยการไม่เดินกระโยงไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่26ว่าด้วยการไม่นั่งรักเข่าในละแวกบ้านสิกขาบทที่27ว่าด้วยการรับบินทบาทโดยเคารพสิกขาบทที่28ว่าด้วยการให้ความสำคัญในบาทขณะรับบินทบาทสิกขาบทที่29ว่าด้วยการรั บ, บบินทบาทพอเหมาะกับแกงสิกขาบทที่30 ว่าด uh, mm ้วยการรับบินทบาทเสมอขอบปากบาทสิกขาบทที่31ว่าด้วยการชั้นบินทบาทโดยเคารพสิกขาบทที่32ว่าด um, uh, uh, um, okay ้วยการให้ความสำคัญในบาทขณะชั้นบินทบาทสิกขาบทที um, ่33ว่าด้วยการชั <S <S ้น uh, บินทบาทไปตามลำดับสิกขาบทที่34ี่ว่าด้วยการชั้นบินทบาทพอเหมาะกับแกงสิกขาบทที่35า ว่าด้ยวยการไม่ฉันบินตาบาคอยุ่มลงแต่ยอดสิกขาบทที่36ว่าด้ยวยการไม่ใช้เข้าสุกกลบแกงหรือกับข้าวสิกขาบทที่37ว่าด้ยวยการไม่ออกปากขอแกงหรือเข้าสุกมาฉันส่วนตัวสิกขาบทที่38ว่าด้ยวยการไม่มุ่งตำหนิมองดูบาของภิกษุอื่นสิกขาบทที่39ว่าด้ยวยการไม่ทาคำข้าวให้ใหญ่เกิน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 สิกขาบทที่56ว่าด้วยการไม่เท น, น้ําล้างบาทมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านสิกขาบทที่57ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้กั้นร่มสิกขาบทที่58ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้ถือไม้พลองสิกขาบทที่59ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้ถือศาสตราสิกขาบทที่60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 สิกขาบทที่65ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู i̇şte. ้นั่งรักเข่าสิกขาบทที่66ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้โพกศีรษะสิกขาบทที่67ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้คลุมศีรษะสิกขาบทที่68ดว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้นั่งบนอาสนะสิกขาบทที่69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 สิกขาบทที่74ว่าด้ยวยการไม่บ้วนน้ำลายบนของเขียวสิกขาบทที่75ว่าด้ยวยการไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำรวมวักที่มีในเสขิยะกัน 1. ปริมันทะวักหมวดว่าด้ยวยการ น, นุ่งขมเป็นปริมณฑ น, น 2. อุชักกิกะวักหมวดว่าด้ยวยการหัวเราะ 3. าคัมภะกะตะวัก หมวดว่าด้วยการเท้าเะเอว 4. ปินทปาตะวักหมวดว่าด้วยบินทบาท 5. กะพละวักหมวดว่าด้วยคาข้าว 6. สุรุสุรุวักหมวดว่าด้วยการฉันดังซูสูเจปาทุ ก, กาวักหมวดว่าด้วยเขียงเท้ากัถปัญญติวาระในมหาวิพังจบ